บทที่7จจะบริหารเวลาในการทำงานอย่างไรแม้ว่าการทำงานจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตและการบริหารเวลาในการทำงานเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งของการบริหารเวลาหรือการบริหารชีวิตแต่ก็เป็นส่วนประกอบสำคัญยิ่งที่ขาดไม่ได้เพราะความสำเร็จของชีวิตย่อมหมายรวมถึงความสำเร็จของการทำงานไว้ด้วยเช่นกันจากการศึกษาแนวคิดการบริหารการทำงานของผู้เชี่ยวชาญ และจากประสบการณ์การทำงานของผมผมเชื่อมั่นว่าวิธีการบริหารเวลาในการทำงานที่มีประสิทธิภาพควรมีลำดับขั้นตอนดังนี้ครับ 1. ศึกษาทำความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบอย่างละเอียดรอบคอบยิ่งเราเข้าใจในตัวงานนั้นมากเท่าใดโอกาสที่เราจะทำงานนั้นให้สำเร็จอย่างสมบูรณ์ย่อมมีมากขึ้นเท่านั้นขณะเดียวกันความเข้าใจในตัวงานอย่างลึกซึ้ง ย่อมตัดโอกาสของความผิดพลาดล้มเหลวไปได้มากทีเดียวหลายครั้งงานที่เราทำไม่ประสบความสำเร็จตามที่ต้องการหรือผิดพลาดล้มเหลว อ, อย่างที่ไม่ควรจะเป็นเนื่องจากว่าเมื่อเรารับมอบหมายงานนั้นมาหรือคิดริเริ่มโครงการของตอนเองนั้นเราไม่ได้ใช้เวลาศึกษาทำความเข้าใจในสิ่งที่จะทำอย่างท่องแท้เพียงพอจึงทำให้เกิดความเข้าใจผิดเบี่ยงเบนไปจากความเป็นจริงขาดข้อมูลที่พรักพร้อม นำไปสู่การเลือกการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือเกิดการเพลี่ยงพล้ําขึ้นอย่างน่าเสียดายในการทํางานใดๆผมขอเสนอว่าเราควรจัดเวลาสําหรับการศึกษาทําความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้ครับ 1.1 วัตถุประสงค์ของงานวัตถุประสงค์ของงานเปรียบเสมือนกรอบความคิดในการทําสิ่งใดๆเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรารู้ว่าเราควรคิดจะตัดสินใจอย่างไร จะทำอะไรในสถานการณ์หนึ่งหนึ่งหรือช่วยให้เราพิจารณาตรวจสอบได้ว่าสิ่งที่เราคิดทำหรือตัดสินใจนั้นถูกต้องสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการหรือไม่โดยการนำสิ่งเหล่านั้นไปเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ก็จะได้รู้ว่ามีความสอดคล้องหรือขัดแย้งกันอย่างไรอาจเปรียบเทียบได้กับการนำกรอบไม้แห่งวัตถุประสงค์ไปวางทับลงบนต้นหญ้าแห่งความคิดการตัดสินใจและการกระทำในสนาม ต้นยาที่อยู่ในกรอบนั้นคือสิ่งที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ต้นยาที่อยู่นอกกรอบย่อมเป็นสิ่งที่ขัดแยง้งไม่ถูกต้องตรงกับความมุ่งหวังและไม่สามารถนำไปใช้ได้อย่างแท้จริงบางครั้งวัตถุประสงค์ของงานก็มาพร้อมกับตัวงานที่ได้รับมอบหมายสิ่งที่เราควรทำคือการใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับวัตถุประสงค์นั้นให้ถ่องแท้ลึกซึ้งที่สุดเท่าที่จะทาได้โดยอาจจะสอบถามเพิ่มเติมจากหัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชาอย่า ก, กลัวที่จะถามคำถามที่ดูเหมือนคำถามโงงๆเพราะย่อมดีกว่าการทำผิดพลาดไปอย่างงงๆถ้าการทำงานที่ได้รับมอบหมายนั้นไม่มีวัตถุประสงค์ของงานแนบมาด้วยเราก็ควรจะจัดสรรเวลาในการสอบถามจากหัวหน้า ง, งานก่อนที่จะเริ่มลงมือดำเนินการถ้าหากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถสอบถามได้เราก็อาจจาเป็นต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของการทาสิ่งนั้นๆขึ้นเอง โดยพิจารณาจากนโยบายของบริษัทองค์กรหรือหน่วยงานที่เราอยู่วัตถุประสงค์ที่เหมาะสมนั้นจะต้องไม่ขัดแย้งกับกรอบนโยบายอาจเปรียบได้ว่ากรอบนโยบายคือกรอบแนวคิดใหญ่ที่ภายในมีกรอบวัตถุประสงค์เล็กๆอยู่มากมายวัตถุประสงค์ที่อยู่นอกกรอบนโยบายย่อมไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่ควรยึดถือนอกเสียจากกรณีพิเศษที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริง ยิ่งเราสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ของสิ่งต่างๆที่จะทำได้ชัดเจนมากเท่าใดโอกาสที่จะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จตามความมุ่งหวังย่อมมีมากเท่านั้นตัวอย่างเช่นเราได้รับมอบหมายให้จัดสัมมนาทางวิชาการขึ้นสิ่งแรกที่เราควรทำก็คือการใช้เวลาทำความเข้าใจกับวัตถุประสงค์ของการจัดว่าจัดขึ้นเพื่ออะไรระดมความคิดของนักเศรษฐศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถภายในประเทศ มาร่วมกันอภิปรายเชิงวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจของชาติเพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมรับฟังและเสนอความคิดเห็นด้วยเพื่อให้สื่อมวลชนนำแนวคิดไปเผยแพร่ให้ผู้บริหารบ้านเมืองและสาธารณชนร่วมรับรู้เพื่อจะช่วยกันแก้ไขปัญหาของชาติต่อไปเป็นต้นเมื่อเราเข้าใจวัตถุประสองค์อย่างชัดเจนแล้วเราก็จะพิจารณาได้ว่างานสัมมนาครั้งนี้ ควรจัดขึ้นในเวลาใดใช้สถานที่ใดควรเชิญใครมาเป็นวิทยากรบ้างจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบได้อย่างไรจะต้องมีการจัดสรรทีมงานและตารางเวลาในการดำเนินการอย่างไรเป็นต้น 1.2 เป้าหมายของงานเราอาจจะเปรียบภาพการรับรู้วัตถุประสงค์ได้กับการที่เรารู้ว่าเราควรจะเดินขึ้นทางเหนือลงใต้ไปทางตะวันออกหรือตะวันตก ในขณะที่การรับรู้หรือการตั้งเป้าหมายคือการที่เรารู้ว่าเราจะต้องเดินทางไปที่จังหวัดใดอำเภอใดและต้องไปถึงเมื่อไหร่ซึ่งทําให้เราสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างละเอียดว่าเราควรจะออกเดินทางเมื่อไรเวลาใดสวมเสื้อผ้าอย่างไรในการเดินทางควรเอาอะไรติดตัวไปบ้างควรจะเดินทางด้วยพาหนะใดรถยนต์รถไฟรถโดยสารหรือเครื่องบินเป็นต้น ดังนั้นแม้ว่าการรู้วัตถุประสงค์ของงานเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ก็ยังไม่เพียงพอในการทำสิ่งใดๆจะต้องรู้เป้าหมายของงานด้วยเพราะเป้าหมายของงานจะทำให้เราก้าวไปอย่างมั่นใจว่าเรากำลังมุ่งหน้าไปทางทิศใดและทำให้เราสามารถวางแผนลงรายละเอียดในการทำงานได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพลักษณะสำคัญของเป้าหมายคือจะต้องมีความชัดเจนไม่คลุมเครือสามารถประเมินผลหรือวัดได้ว่า ง, งานที่เราทำนั้น สำเร็จตรงตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ดังนั้นการตั้งเป้าหมายในการจัดสมัมมนาว่าให้มีคนมาร่วมงานเป็นจานวนมากจึงไม่ใช่การตั้งเป้าหมายที่แท้จริงเพราะไม่สามารถวัดได้ว่าจำนวนเท่าใดจึงจะนับว่ามากในกรณีนี้การตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าจะมีคนมาร่วมสัมมนาอย่างน้อยหนึ่งพันคนหรือสองพันคนมีประชาชนทั่วไปร่วมเสนอความคิดเห็นอย่างน้อยยี่สิบคนเป็นต้น ซึ่งเป็นเป้าหมายที่เราสามารถวัดได้ว่างานที่เราทำนั้นสำเร็จตามความต้องการหรือไม่มากน้อยเพียงไรเพื่อจะสามารถนาไปประเมินผลวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงพัฒนาในการทางานครั้งต่อไปได้นักการตลาดอัดตั้งเป้าหมายว่าภายในหนึ่งปีจะผลักดันยอดขายของสินค้าให้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งให้ได้ครูอัดตั้งเป้าหมายว่า เทอมหน้านั้นจะเขี่ยวเข็นนักเรียนในชั้นเรียนให้สามารถสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษได้ทุกคนเป็นต้นเช่นเดียวกับวัตถุประสงค์เราอาจจะได้รับมอบปมายเป้าหมายมาพร้อมกับตัวงานซึ่งสิ่งที่เราควรทําคือการจัดสรรเวลาในการศึกษาทําความเข้าใจกับเป้าหมายนั้นให้ถ่องแท้หรือในบางครั้งเราอาจจําเป็นที่จะต้องกําหนดเป้าหมายของงานขึ้นมาเองเนื่องจากหัวหน้างานไม่ได้กําหนดเป้าหมายของงานมาให้ สำหรับงานนั้นนอกจากเราจะมีเป้าหมายใหญ่ของงานแล้วเราอาจจาเป็นต้องกําหนดเป้าหมายปลีกย่อยขึ้นมาเพื่อความสําเร็จที่สมบูรณ์แบบของงานนั้นด้วยเช่นนอกจากเราตั้งเป้าหมายว่าจะผลิตหนังสือเล่มหนึ่งออกมาภายในกลางเดือนหน้าแล้วเรายังควรตั้งเป้าหมายเพิ่มเติมอีกด้วยว่าหนังสือที่เราจะผลิตออกมานั้นจะไม่มีผิดแม้แต่คําเดียวและจะต้องวางจําหน่ายแพร่หลายทั่วประเทศให้ได้เป็นต้น 1.3 ลักษณะของงานนอกจากการศึกษาวัตถุ ป, ประสงค์และเป้าหมายของงานแล้วลักษณะของงานก็เป็นอีกส่วนสำคัญหนึ่งที่ละเลยไม่ได้เลยเมื่อเราได้รับมอบหมายงานใดๆหรือคิดเริ่มโครงการใดๆเราควรที่จะใช้เวลาช่วงหนึ่งในการศึกษาทำความเข้าใจกับลักษณะของงานที่จะทำว่าเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะความสามารถพิเศษในด้านใดต้องใช้เวลามากน้อยเท่าไหร่ต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง ต้องใช้ทีมงานมากน้อยเพียงไรและด้านใดบ้างมีอุปสรรคปัญหาอะไรบ้างที่อาจจะเกิดขึ้นต้องระมัดระวังเรื่องใดเป็นพิเศษต้องติดต่อขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นใดหรือไม่ลักษณะางานดังที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้นเราอาจจะศึกษาได้จากต้นแบบที่คนอื่นได้ทําไว้จากคู่มือการทํางานจากการขอคําปรึกษาแนะนําจากผู้รู้ผู้มีประสบการณ์มากกว่าหรือตําราหนังสือที่ผู้เชี่ยวชาญได้แนะนําเสนอไวอ้อย่างดี ยิ่งเราเข้าใจลักษณะของงานที่จะทำมากเราก็ยิ่งมีโอกาสที่จะวางแผนรายละเอียดการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโอกาสของความสำเร็จก็มากขึ้นด้วยขณะเดียวกันโอกาสแห่งความผิดพลาดล้มเหลวย่อมน้อยลงอย่างไม่ต้องสงสัยหลายครั้งความผิดพลาดล้มเหลวเกิดขึ้นอย่างน่าเสียดายทั้งนี้เนื่องจากคนเหล่านั้นไม่ได้ใช้เวลาในการศึกษาทำความเข้าใจในลักษณะของงานอย่างละเอียดเพียงพอนั่นเองสอง การวางแผนดำเนินงานการเตรียมการในวันนี้กำหนดความสำเร็จของวันพรุ่งนี้คำกล่าวนี้สะท้อนถึงความสำคัญของการเตรียมการได้ดีทีเดียวอีกคำกล่าวหนึ่งที่ช่วยตอกย้ำความสำคัญของการเตรียมการได้อย่างหนักแน่นคือคำกล่าวที่ว่าการเตรียมการที่ดีคือความสำเร็จที่อยู่ในมือแล้วครึ่งหนึ่งภาพความสำเร็จที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมของการเตรียมการอย่างเห็นได้ชัดภาพหนึ่งคือการสอบเอนทรานส์เข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งโดยทั่วไปแต่ละคนจะใช้เวลาในการสอบรวมทุกวิชาเพียงสิบห้าถึงยี่สิบชั่วโมงเท่านั้นเองแต่เบื้องหลังความสำเร็จของหลายๆคนนั้นคือช่วงเวลานับพันนับหมื่นชั่วโมงแห่งการตรากตรำทำความเข้าใจกับวิชาต่างๆเป็นตั้งๆผู้ที่เตรียมพร้อมก่อนเดินเข้าสู่สนามสอบอย่างดีที่สุดย่อมมีโอกาสสูงที่สุดที่จะคว้าความสาเร็จมาครอบครองผู้ที่มุ่งหวังความสาเร็จในการทาสิ่งใดๆ จึงควรให้เวลากับการเตรียมการก่อนลงมือปฏิบัติอย่างเพียงพอเราอาจเรียกการเตรียมการนี้ว่าการวางแผนการดำเนินงานซึ่งหมายถึงภายหลังการใช้เวลาในการคิดพิจารณาวัตถุประสงค์เป้าหมายและลักษณะของงานอย่างละเอียดทุกด้านทุกแงม่มุมรวมทั้งศึกษาเสาะหาข้อมูลเพิ่มเติมจนเกิดความมั่นใจแล้วเราได้นสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดมาใช้ในการวางแผนในด้านวิธีการ ยุทธวิธีที่จะใช้ทรัพยากรที่จำเป็นบุคลากรทีมงานการจัดโครงสร้างและรูปแบบการทำงานการจัดตารางเวลาการดำเนินงานวิธีการแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานซึ่งจะเกิดขึ้นต่อไปนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและคืบหน้าไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างสมบูรณ์ที่สุดการวางแผนการดำเนินงานที่ดีนั้นจะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้วางแผนงานนั้น มีวิสัยทัศน์ที่แจ่มชัดมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์เป้าหมายและลักษณะงานอย่างลึกซึ้งรู้และเข้าใจในสภาพปัญหาของอดีตและปัจจุบันอย่างท่องแท้ในขณะเดียวกันก็สามารถทอดสายตากว้างไกลไปยังอนาคตได้ว่าจะต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถเคลื่อนตัวไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและจะต้องจัดการกับปัญหาในอดีตและปัจจุบันอย่างไร จะเปลี่ยนจุดอ่อนด้อยให้แข็งแกร่งขึ้นมาได้อย่างไรจะต้องเตรียมความพร้อมสําหรับอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตอย่างไรบ้างผมขอฝากข้อคิดจากหนังสือข้อคิดเพื่อความสําเร็จของผมว่าคนที่มีวิสัยทัศน์คือคนที่มีความเข้าใจแก่นแท้ของสภาพปัจจุบันอย่างลึกซึ้งเพ่งมองสายตาไปที่เป้าหมายอนาคตด้วยความเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมในใจแล้ววางแผนและดําเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้น 3. ลงมือดำเนินการเมื่อผ่านช่วงเวลาของการอ่านหนังสือทบทวนตำราจนมั่นใจตอนนี้ก็มาถึงช่วงเวลาของการเดินเข้าสู่สนามสอบนั่นคือการลงมือดำเนินการตามแผนที่วางไว้สิ่งที่จะมีประโยชน์อย่างมากในขั้นตอนนี้คือตารางเวลาในการดำเนินการซึ่งจะช่วยให้เราสามารถควบคุมตนเองและทีมงานให้ทางานคลืบหน้าไปตามกาหนดเวลาที่วางไว้ได้อย่างดี ไม่เสียเวลากับขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากจนเกินไปจนส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการทำงานภาพรวมทั้งหมดนอกจากตารางเวลาการดำเนินการแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่จะมีส่วนช่วยอย่างมากในการบริหารเวลาการทำงานนั่นคือสมุดบันทึกไดอารี่หรือออร์แกไนเซอร์ซึ่งจะสามารถเขียนกิจกรรมที่ต้องทำในแต่ละวันลงไปได้รวมทั้งกิจกรรมที่ต้องทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจาสัปดาห์ประจาเดือนประจาปี หรืออาจมากกว่านั้นเพื่อเราจะเปิดดูได้ว่าวันนี้เราต้องทําอะไรบ้างนอกเหนือจากที่ระวางตารางเวลาปกติประจําสัปดาห์ไว้แล้วดังนั้นเราควรพวกไดอารี่หรือออร์แกเนเซอร์ติดตัวไว้ตลอดเวลาและเปิดดูอยู่เสมอและเมื่อมีความคิดใดที่เข้ามาในหัวเราก็สามารถที่จะบันทึกเป็นโครงความคิดไว้เพื่อจะสามารถไปคิดต่อได้ในภายหลังทุกเช้าเราควรเริ่มต้นวันใหม่ได้การเปิดดูตารางเวลาและไดอารี่ก่อนจะทําสิ่งอื่น เพื่อจะรู้ว่าวันนี้มีกิจกรรมทั้งหมดกี่อย่างที่เราต้องทําให้เสร็จมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมที่ต้องทําอีกบ้างเพื่อเราจะวางแผนเวลาในการทํางานได้ตลอดทั้งวันอย่างเหมาะสมพยายามควบคุมตนเองให้เดินตามตารางเวลาที่วางไว้อย่างสุดความสามารถงานใดที่เราสามารถทําให้เสร็จได้ภายในหนึ่งชั่วโมงก็ต้องควบคุมให้เสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้นหรืองานชิ้นใดที่สามารถทําให้เสร็จได้ภายในห้านาทีก็อย่ายืดเยื้อออกไปเป็นสิบนาที อย่าใช้เวลาในการทำงานตามกฎของพาร์กินสันซึ่งกล่าวว่าการใช้เวลาทำงานชิ้นหนึ่งจะขยายตัวออกไปเรื่อยๆเท่าเวลาที่มีอยู่หากไม่มีกำหนดเส้นตายเราจะทำงานเรื่อยๆจนเวลาหมดไปซึ่งนับเป็นการสิ้นเปลืองเวลาในการทำงานที่มากเกินความจำเป็นและหากกล่าวสรุปโดยรวมแล้วนั่นคือการทำงานที่ไร้ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง นอกจากนั้นในช่วงระหว่างวันเมื่อเกิดความคิดใหม่ๆในการทำงานหรือเมื่องานใหม่เข้ามาหรืออาจได้รับการมอบหมายงานบางอย่างจากหัวหน้า ง, งานเราควรบันทึกงานเหล่านั้นไว้ในไดอารี่ด้วยเช่นกันถ้าเป็นงานเร่งด่วนและสำคัญก็รีบทำให้เสร็จในเวลานั้นถ้าไม่เร่งด่วนมากเราก็จะสามารถจัดสรรเวลาเพื่อวางแผนการทำงานชิ้นนั้นต่อไปภายหลังสประเมินผลการดำเนินการ สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการทำสิ่งใดก็ตามคือการประเมินผลเพราะการประเมินผลจะทำให้เรารู้ว่าแผนการดาเนินงานทั้งหมดที่เราทามานั้นเป็นแผนงานที่ดีมีประสิทธิภาพหรือไม่มีข้อบอกพร่องผิดพลาดในจุดใดบ้างและควรมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้างในการวางแผนดาเนินการครั้งต่อไปการประเมินผลการทางานนั้นเราควรกระทาทั้งในสัดส่วนย่อย คือการประเมินผลการดำเนินการในแต่ละวันของตัวเราเองโดยพิจารณาจากแผนงานในแต่ละวันที่วางไว้ในไดอารี่หรือตารางเวลาการทํางานนอกจากนี้หากเรายังมีบทบาทเป็นหัวหน้า ง, งานเราก็ควรที่จะจัดสรรเวลาไว้สําหรับการประเมินผลภาพรวมการดำเนินงานขององค์กรหรือหน่วยงานที่เรารับผิดชอบโดยมีแนวทางการประเมินผลดังนี้ 4.1 ประชุมสรุป ป, ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา เนื่องจากหนังสือเล่มนี้พูดถึงเรื่องการบริหารเวลาผมจึงไม่ขอกล่าวอธิบายเกี่ยวกับหลักการในการประชุมที่ดีมากนักแต่จะ ก, กล่าวถึงในแง่มุมที่เกี่ยวข้องเท่านั้นคือประโยชน์ของการประชุมสรุปปัญหาซึ่งเป็นการประเมินผลการทำงานโดยหัวหน้างานพร้อมกับทีมงานทุกคนในช่วงสัปดาห์หรือเดือนที่ผ่านมาหรือเมื่อทำงานเสร็จไปชิ้นหนึ่งโดยร่วมกันพิจารณาถึงความสำเร็จหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้น แนวทางที่ดีที่ควรยึดถือหรือพัฒนาขึ้นปัญหาที่ทำให้งานเกิดความผิดพลาดและแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นๆเป็นตน้นซึ่งถ้าต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทาและไม่ได้มาประชุมประเมินผลกันเป็นประจำก็อาจจะทำให้แต่ละคนต้องเสียเวลาในการทาความผิดพลาดเหมือนอย่างที่คนอื่นๆเคยทำมาก่อนแล้วแต่เมื่อมีการประชุมจะเป็นเหมือนกับทางลัดที่ทาให้คนอื่นแม้ไม่ได้ทางานเดียวกับเรา จะได้ทราบถึงเคล็ดลับในการทำงานนั้นๆให้สำเร็จรวมไปถึงข้อควรระวังและควรหลีกเลี่ยงที่จะไม่ทำความผิดพลาดให้เกิดขึ้นการประชุมประเมินผลอาจดูเหมือนเป็นการเสียเวลาแต่แท้จริงแล้วจะมีผลในการช่วยประหยัดเวลาและลดทอนความผิดพลาดเสียหายสำหรับการทำงานขององค์กรโดยภาพรวมในระยะยาวได้อย่างมากทีเดียว 4.2 เสนอแนวทางและวิธีการที่สร้างสรรค์การประชุมที่ดี ไม่เป็นเพียงที่ที่สมาชิกในองค์กรมาถกเถียงกันถึงเรื่องของปัญหาเท่านั้นแต่ควรเป็นที่ที่จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ที่จะพาองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าได้ด้วยวาระในการประชุมจึงไม่ควรมีเพียงการประเมินผลการทำงานและการแก้ไขปัญหาแต่ควรมีวาระของการเสนอความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆแป้บางความคิดอาจจะไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์ในเวลานั้นแต่อาจเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตก็เป็นได้ เช่นการพูดถึงวิสัยทัศน์ขององค์กรในอีกยี่สิบปีข้างหน้าการพูดถึงเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตว่าจะมีผลต่อองค์กรของตนอย่างไรบ้างตีจุดสามจัดทำคู่มือการทำงานคู่มือเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นหนังสือล้ำค่าขององค์กรทีเดียวที่ผมกล้าพูดเช่นนี้เนื่องจากคู่มือนั้น เป็นสิ่งที่กลั่นออกมาจากประสบการณ์และปรัชญาความคิดในการทํางานของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหนึ่งๆที่ได้รวบรวมเอาไว้เป็นระยะเวลาอันยาวนานเพื่อให้บุคคลที่มารับช่วงต่อภายหลังสามารถเข้าใจงานและปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาอันสั้นงานทุกชิ้นที่เราทําและรับผิดชอบเรียบร้อยแล้วจึงจะน่าถูกบันทึกไว้เป็นหลายลักษณ์อักษรเพื่อให้คนรุ่นหลังต่อไปหรือแม้กระทั่งตัวเราเอง ที่อา จ, จต้องรับผิดชอบงานชิ้นนั้นอีกในอนาคตเพื่อเราจะไม่ต้องมาเสียเวลานั่งคิดเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดแต่สามารถใช้คู่มือเล่มนั้นเป็นแนวทางและสามารถปรับปรุงคู่มือเล่มนั้นให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้เรื่อยๆคู่มือที่ดีควรประกอบไปด้วยหัวข้อหลักๆต่อไปนี้ 1. คำนำสหลักการและเหตุผลเบื้องหลังของการทำงานชิ้นนั้น 3. ขั้นตอนการดำเนินงานสี่ ตารางสรุปขั้นตอน 5. ปัญหาที่เกิดขึ้นและการแก้ไขปัญหา 6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการทำงาน 7. ข้อมูลสถิติต่างๆที่น่าสนใจในการทำงานแท้จริงยังมีรายละเอียดปลีกย่อยในการบริหารเวลาการทำงานอีกหลายประการที่เป็นประโยชน์แต่ในที่นี้ผมได้รวบรวมและนำเสนอเฉพาะแนวทางหลักที่สำคัญในการบริหารเวลาซึ่งผมเห็นว่า เป็นสิ่งที่ช่วยในการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายได้แม้ว่าบางเรื่องจะดูพื้นเพื่นง่ายๆแต่จากประสบการณ์การทำงานของผมผมได้เรียนรู้ว่าหลายองค์กรหรือหน่วยงานหรือบุคคลที่ประสบความผิดพลาดล้มเหลวในการทำงานนั้นส่วนมากก็มักจะมีสาเหตุมาจากการที่ไม่ได้ตรหนักหรือละเลยต่อแนวทางหลักการพื้นฐานที่สาคัญเหล่านี้นั่นเองครับ